เมื่าหลายวันเพ่็ น, นึกถึงไอ้ฟทดไหลจูนวันอาจารย์ยุดแกเอ่ยถึงเรื่องพฟาดไหลจูนนึกขึ้นได้มันใกล้กับเราเกินไปมันนึกไม่ออกถึงได้แต่มากระฟาธไหลจนนะูนเนี่ยเรื่องอแน่นอนมากะแต่ทีนี้ว่าเราครั้งเรานึกถึงสิ่งไางอย่างที่เราใกล้ตัวเกินไปบางทีแล้วก็นึกถึงอันนี้คือส่วนหนึ่ง เป็นเรื่องที่น่าศึกษามากนะฮะครูจินึกได้มันก็บงทีสายไปก็มีนะกายกับใจของเราเนี่ยมันอยู่ใกล้กันจนจนบางอย่างเริ่มนึกถึงมนะันอ่ะบางทีครูจะนึกได้เรื่องก็ผ่านไปลวความเสียหายเกิดขึ้นแม้กระทั่งความเจ็บป่วยนะบางครั้งเราก็เป็นสิ่งที่ง่ายๆที่เราจะแก้ เดืมนนองไม่ออกเราไปวิ่งหาสิ่งที่มันดักยากไกลๆมาแก้มันเป็นยากเรื่อง ใ, ใ, ใ, ในความเคยชินหรืออวิชชาเนี่ยเป็นอะไรบางอย่างที่เราอ่ามันบดบังเราได้สนิทเนะี <c oughs> ่เรื่องภายนอกที่เราหลงลืมหรือลืมนึกถึงนี่ก็ไม่ถือว่าเป็นอวิชชาแต่เป็นสัญญาเรียว่าสัญญาอนิจจาถ้าเป็นสัญญาเนี่ก็เป็นเรื่องของั้วของไตรลักษณะ พราะในเรื่องของความจาสมองแล้วก็ร่างกายเนี่ยมันเป็นกฎของไตลักษณ์เพราะในความผิดพลาดที่เกิดทางร่างกายนะโดยเกิดจากความผิดพลาดทางสัญญาอันนี้ก็เป็นกฎของไตลักษณ์แต่ว่าไม่ใช่เป็นกฎของอสมุทัยนะชื่อ ว, วิชาดัาหาวิชาดันหาอุปทานที่3ตัโจนคือนะวิชาดันหาอุปทาน เรียไตรกิเลสนะเรือกไตรลักษณ์ก็ไตรกิเลสนั้นไตรกิเลสก็คือวิชาตัาหาอุปท า, าน3ตัวนี้นี้ในความที่จิตของเราถ้ามันลืมอะไรบางอย่างเช่นเราทุกข์ไปทั้งนานเพิ่งลืมนึกหมายควาจิตใจนะไม่ใช่กายทุกข์กายนี่ถ้าทุกข์ทางกายไม่สบายทางกายมันเป็นกฎของตรรกเป็นธรรมชาติไม่ใช่สมุทยัย แต่ถ้าหากว่าทุกันเกิดจากความไม่สบายใจเนี่ยตรงนี้เป็นสมุทยัยหรือเป็นเป็นเขาเรียกเป็นไตรกิเลสอยาดเรียกสับใหมอย่างเนียไตรกิเลสไตรา อ, าอากุศลก็ว่าได้ดนะังนั้นเองถ้าหากว่าเราเข้าใจหลักทั้งสองอย่างนี้เราก็จะไม่สับสนเวลาเราป่วย บางครั้งเอ๊ะเราก็นึกถือว่ธาธรรมะทำไมไม่ช่วยเรานี่อันนี้สับสนละนะแต่ว่าถ้าหากว่าเกิดความสมองท่านั่งจิตใจเรานึกถึงตำหนิเรื่องอากายอะไรเนี่ยก็ก็สับสนเพราะฉะนั้นเรื่องของกายทรงมนะเรื่องร่างกายก็เป็นไปตามกฎของธรรมชาติเรื่องจิตใจก็เป็นไปตามกฎของ ไตรสิขาหรือไตรกิเลสทีนี้ ไ, ไตรลักษณ์เนี่ยก่อนที่จะเป็นเปลี่ยนเป็นไตรสิขาเนี่ยมันก็ต้องผ่านมาที่ไตรกิเลสก่อนถ้าหากว่าเราไม่ทันไม่ทันความเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนความแตกดับมันก็ต้องเป็นไตรกิเลส๋ยวเราถ้รารู้เท่าทันความแปรปรวนความเปลี่ยนแปลงแตกดับ รู้เท่าทันมันก็เป็นไตสิขานะแปล ว, ว่าตัวรู้ตัวไม่รู้ทันทางกายนำไปสู่ความไม่รู้ทันทางจิตเทวตาภาษานะตัวรู้เท่าทันทางกายนำไปสู่ความรู้เท่าทันทางจิตที่เราพยายามที่จะเน้นเรื่องนี้ก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องเรื่องหลัก ในเรื่องหลักแล้วจิตใจเราก็มีแค่สมเรื่องคือความอพอใจความไม่พอใจและความไม่รู้ใจเราจะบอกว่าความเฉยเฉยเนี่ยก็คือไม่รู้ไม่รู้ใจความพอใจไม่พอใจและไม่รู้ใจอะไรก็ตามปัญหาต่างๆที่เกิดมันจะต้องผ่านสมเรื่องเ น, <c oughs> นี้ถ้าหากว่าเรามีสติปัญญาที่เราฝึกฝนมันก็ รู้ทันความพอใจมันกลายเป็นตัวสติรู้ทันความไม่พอใจมันเป็นตัวสมาธิรู้เท่าทันความไม่รู้ใจมันกลายเป็นตัวปัญญานะเพราะนั่นเองในเรื่องของทั้งสามอย่างเนี่ยถ้าเข้าใจหลักอย่างนี้ก็ง่ายแล้วก็มุ่งอยู่3เรื่องแค่นั้นแหละในทีวิจารณ์เพราะร่างกายเราก็มี3เรื่องมันไปต้นตอมาจาร่างกายร่างกายรู้สึก สบายและไม่สบายแล้วก็ไม่รู้สาเหตุว่าความสบายหรือไม่สบายมันมาจากอะไรความสบายบางครั้งก็สบายบางครั้งก็ไม่สบายบางครั้งก็งงเหมือนกันเอ๊กก็ไม่ทำอะไรมันผิดพลาด ท, ทางด้านร่างกายทามันไม่สบายตรงนี้เพราะนั้นเราก็ไล่เลียงมาตั้งแต่เรื่องของธรรมชาติของร่างกายมาตามดู สามส่วนนี่ถ้าด า, ด, าดู3 ส, ส่วนนี้ไม่ชัดมันก็ต้องเกิด3มเรื่องนะคือความพอใจไม่พอใจและความาไม่รู้ใจ3นะเรื่องใ น, นความสบายกายถ้าเรารู้ทันความสบายกายก็เกิดเป็นสติแลสติก็จะเป็นศีลนะเพราะสติกับศีลนี่จริงเป็นเหตุผลของกันอะไรกัน คนที่จะมีศีลได้ถูกต้องนั้นต้องมีสติก่อนถ้าว่าสัมมาสติเป็นมิจฉาสติมันก็จะเป็นศีลที่ไม่ถูกต้องก็เป็นศีลที่ไม่ไม่ใช่เป็นศีลที่เป็นอริย ะ, ะ, ะนั้นเองการตามรู้สิ่งเหล่านี้มันก็ทำเรื่องๆให้มันแคบเข้ามาง่ายเข้ามาแล้วคอยระลึกอยู่เสมอ เรเรื่องความพอใจไม่พอใจเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นผลของความตามไม่รู้เท่าทาันความสบายไม่สบายได้ความไม่รู้อเหตุข้อความสบายหรือไม่สบายเนี่ยมาจากต้นตอนี้เสมอเนี่ยเวลหร่างกายเราป่วยเจ็บป่วยไม่สบายเนี่ยเราจะรู้สึกหูดหงิดอารมณ์เสียได้ง่ายมันก็เนื่องมาจากตรงนั้นแต่ถ้าอารมณ์ดีไอ้ไ อ, อ, อ, อ, อ้ตัวกายเนี่ยกายมันดี อารมณดีมันก็รู้สึกมีอะไรมากระทบกระแทกเล็กๆน้อยมันก็รู้สึกอดได้ทนได้แบบสบายนะนั่นเรื่องของความต้องการภายนอกความต้องการภายใ น, นยมันก็สื่อถึงกันความต้องการภายนอกหมายถึงความต้องการทางกายความต้องการทางกายเป็นธรรมชาติเช่นว่ามันหิวปวดอุจจาระปวดปัสสาวะร้อนจัด หนาวจัดพวกนี้มันก็เป็นอาการทางกายถ้าหากเราตามรู้อาการนี้บ่อยๆส่วนใหญ่เราจะไปรู้เท่าทันตอนที่มันมันจัดร้อนจัดหนาวจัดหิวจัดปวดจัดเราจะไปแก้อตอนนั้นแต่ที่มันเริ่มที่จะร้อนพอทนได้หิวพอที่จะทนได้หนาวพอที่จะทนได้ปวดที่จะพอทนได้บางทีเราก็ไม่ค่อยใส่ใจ จนกระทั่งมันพีกขึ้นไปจนถึงที่สุดเมื่อเราทนไม่ได้ละเราก็ถึงจะใส่ใจแก้ไขทีนี้แก้ไขก็มีสองแบบแก้ไขแบบรู้แก้ไขแบบไม่รู้อีกต่างหากนั่นเป็นวัาวานการปฏิบัติธรรมเราก็มาสนใจเรื่อ ง, องพวกนี้แหละต้นตอของมันนะแต่ถ้าไปสนใจที่มันเป็นผลคือออกเป็นเรื่องเป็นราวไปแล้วเนี่ยมันยากเหมือนกับเราไม่ใส่ใจป้องกันว่าให้ไม่ให้เกิด เชื้อไข้หวัดาเียแล้วก็ไปฉีดวัคซีนไปฉีดยาแก้กันเอาไว้แต่พอมันเป็นหวัดไปแล้วเนี่ยเราไปวิ่งไปหาฉีดป้อ ง, องกันวัคซีนเนี่ยบางทีมันก็สายไปเพราะ้นระบบ <c oughs> พุทธธรรมระบบพุทธวิปัสสนาเนี่ยใช้ระบบป้องกันแต่ป้องกันไม่ทันก็แก้ไขแก้ไขไม่ทันก็ต้องยิวยา เยีออยยาไม่ทันก็ต้องรักษาแล้วทีนี้มันก็จะขยายผลไปตามลำดับทางที่ดีที่สุดก็คือป้องกันนี่การป้องกันบางอย่างก็ต้องรู้เท่าทันอีกบางอย่างก็เป็นเรื่องเกินเหตุเป็นเรื่องเกินเหตุเช่นว่าเรารู้สึกเรากลัวเจ็บกลัวป่วยกินยาป้องกันไวกน้ก่อนยาป้องกันทั้งทางที่ความเจ็บป่วยยังไม่มาถึงเนี่ยบางสิ่งบางอย่าง มันต้องมีเหตุที่ก่อนค่อยป้องกันถ้าเราไปป้องกันไว้ก่อนเราไม่รู้ว่าเหตุที่เกิดมันจะอาศัยอะไรแต่ว่าวิธีป้องกันที่มันถูกเหตุก็คือว่ารู้ว่าเรากลัวเจ็บกลัวป่วยด้านไหนบ้างาด้านออกกำลังกายทานอาหารที่ดีด้านามีสุขภาพที่ดีทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นแต่บางครั้งมันเป็นเหตุอีกเหตุหนึงเราไม่ เราไม่สามารถเข้าใจได้เช่นว่าเอ้ยเราก็ทานอาหารก็ดีออกกําลังกายก็ดีสุขภาพก็ดีแต่ถ้าเราไม่ทำไมเรารู้จิกเจ็บปวดร ล, ล้เ้าไปทั่วร่างกายอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเหตุบางอย่างเรารู้ไม่หมดว่ามันมาจากอะไรกันแน่ทั้งๆที่เราเราก็ป้องกันอย่างดีแล้วนะแต่มันก็เป็นจนได้อย่างนี้เป็นต้นอย่างไฟฟ้าเมื่อกีนนะ้เราก็มีป้องกันมีเซฟตี้ขั้นมีอะไรดีหมดเอถึงเวลามันชอ็อตมันระเบิดเอามันเกิดขึ้น ทั้งที่มีระบบป้องกันแล้วทําไมมันเกิดอย่างนี้เป็นเรื่องเขาเรียกาเหตุสุริสัยแต่รู้เรื่องความแปรปรวนของสังขารเนี่ยเรารู้ได้ไม่หมดเรารู้ได้เป็นบางส่วนหรือป้องกันได้เป็นบางส่วนนะวิธีการป้องกันแม้แต่วัตถุภายนอกเช่นว่าเราป้องกันเรื่องว่าอาคารเนี่ยสร้างมาแล้วเรากลัวไฟไหม้แล้วก็ติดระบบน้ําอย่างดี ท, ง ท, งทั้งติดระบบน้ําป้องกัน เป็นดับเพลิงในอาคารนะมันแพงมากแต่กฎหมายก็บังคับให้ทําอเมริกาเนี่ยสร้างอาคารระดับนี้ถ้าม่มีระบบดับเพลิงอยู่ในตัวนะที่ก็ติดน้ำให้มันฉีดเองเนี่ยถ้าไม่ทำแล้วเขาไม่อนุญาตไม่อนุญาตให้ใช้เลยทั้งๆที่เหตุ น, นั้นมันยังไม่ได้เกิดบางที่สร้างไปจน 30-40 ปีอาคารนั้นฟังก็ไอ้ระบบไอ้ฉีดน้ําดับเพลิงในอาคารไม่ได้ใช้เลยทั้งที่หมดเงินเปทั้งหลายแสนในการค่าติดตั้งอย่างเนี้ย เพราะฉะนั้นอันนี้จึงเป็นเรื่องยากที่จะหาความพอดีในเรื่องวัตถุเรามีแต่ปรับตามเท่าที่ตามได้แต่ถ้าเรารู้สาเหตุว่าออโลกูกภัยใค่เจ็บอะไรมาเจือต่ป้องกันรู้เออช่วงนี้หวัดระบาดนะช่วงนี้โรคซานั่นตะกูลนั้นตะกูลนี้ระบาดนะเพราะฉะนั้นฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อนแต่ลักษณะเนี้ยมันมีเหตุเพราะเหตุตรงนี้ยังไม่ถึงตัวเราแหละแต่มันมาจากรอบๆข้าง เราก็รู้ว่าอ๋ออันนี้แหละมันจะมาถึงตัวเราบางทีไฟไหม้ป่า ร, รอบรอบบ้านใกล้ใก ล, กลบ้านเข้ามาทางนู้นก็ดับไม่ทันทางนี้มันใกล้เข้ามาเรื่อยๆอย่างนี้เรารู้ว่าอ่าถ้าเราไม่ป้องกันมันต้องมาถึงบ้านเราแน่นอนลักษณะนี้มีเหตุส่อเขาให้ถึงว่ามันจะมาถึงตัวเราลักษณะป้องกันอย่างนี้โอเคมันก็สมเหตุสมผลนะที่ป้องกันในหลายๆอย่างบางคนก็ทําให้เกิดความหวาดกลัว ป้องกันว่าไม่ทําอย่างนั้นไม่ไปตรงนั้นไม่กินตรงนี้พราะกินแล้วมันจะเกรงว่ามันจะเป็นนั้นป้องกันไว้ก่อนไม่กินบางทีก็พลาดโอกาสแล้วป้องกันมากเกินไปโดยที่เป็นความกลัวความกลัวว่าจะสุขภาพไม่ดีไม่ยอมกินหวานกินมันไม่ยอมกินอของเผ็ดของร้อนอกลัวว่าความร้อนมันจะขึ้นเลยไม่ยอมกินเอากับไปตรงกันข้ามไปเป็นโลกที่เย็นจัดนะ อย่างพระอาจารย์ที่ท่านเล่ า, ลาในวันก่อนท่าไม่ยอมกินของร้อนเลยนะกินแต่ของเย็นพัวร่างกายเย็นมากๆปรากฏว่าความดันต่ําเลื่อดนืดเป็นหัวใหญ่นี่เห็นไหเราป้องกันเหตุหนึ่งเมื่อเกิดอีเหตุหนึ่งอันนี้ถึงบอกว่าความแปลปวนเปลี่ยนแปลงของวัตถุเนี่ยรู้ได้ยากแต่เราดูเหตุที่มันเหมาะสมอันนี้ก็คือการที่เราต้องสแสวงหาองค์ความรู้เรื่อยๆว่าขนาดไหนถึงจะพอดีไอ้ความไม่พอดีความไม่สมบูรณ์ของ วัตถุหรือสังขารทั้งหลายนี่เองเป็นเหตุให้เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายสังขารได้เพราะมันมีความบกพร่องความไม่พอดีในตัวของมันเองมาตั้งแต่เกิดและจะทําให้มันสมบูรณ์ที่สุดก็เป็นไปไม่ได้เราทําตรงนี้สมบูรณ์เอาไปพร่องตรงนั้นไปทำตรงนั้นดีตรงนี้มันไม่ดีอันนี้คือเป็นเหตุอันหนึ่งที่เราจะต้องเจริญสติปัญญาให้มากเพื่อเฝ้าระวังนะ พะเราไม่รู้ว่าไอ้เรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้งกายก็ดีทางใจดีเราไม่รู้มันจะเกิดเมื่อไหรมัน ม, มีเหตุปัจใจพร้อมเมื่อไหร่มันก็เกิดมันก็ไม่ได้บอกล่วงหน้าว่ามันจะเกิดวัน น, นั้นปีนั้นปีนี้แต่เราพยายามสร้างเหตุปัจใจให้เ ห, หมาะสมในเรื่องนั้นๆให้มากที่สุดก็เรียกว่ามันกลับเปการลดจากมากให้น้อยลงนะน้อยเกิดไม่มีเลยอะไรเนี่ย อันนี้ที่เราจะทําได้แค่นี้คือพยายามลดเหตุให้เกิดปัญหาและความทุกข์ให้น้อยที่สุดแต่ไม่ทําถึงก็ะดั้นว่าเป็นการขยาดหวาดกลัวแล้วไม่กล้าทําอะไรไม่กล้ากินอะไรไม่กล้าอยู่ที่ไหนไม่กล้าไปอะไรเพราะเพราะเกรงว่าจะเกิดอันนั้นอันนี้แล้วป้องกันตัวเองจนเกินเหตุอย่างนี้ก็บางครั้งก็เสียโอกาสในการพัฒนาความก้าวหน้าของตัวเองเพราะนั้นทําไปด้วยการใช้สติปัญญาถ้าไม่ใช้สติปัญญาเนี่ยบางครัง้งเราก็เสียโอกาสบางครั้งก็ ไม่เท่าทั น, นเราประมาทไปก็ไม่เท่าทันอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นวิบากผลของวิบากกรรมที่เราต้องเกิดมาต้องมาเผชิญกับกฎของไตรลักษณเนี่ยทุกทุกคนไปนทุกคนไปซึ่งมีความซับซ้อนในตัวของมันเองดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการเราต้องเตรียมสติเตรียมสมาธิเตรียมปัญญาไว้ให้พร้อมเสมอบางอย่างเราแก้ไขทันบางอย่างแก้ไขไม่ทันไม่ว่าทางกายหรือทางจิต อันไหนที่แก้ไขทันก็ดีไปอันไหนที่แก้ไม่ทันเราก็จะได้ทําใจได้เอแก้ไม่ทันเราไม่ต้องมาตีอกโชคตัวมาหุ่นมวยเศร้าหมองกับเรื่องนั้นว่าเออทาไมเราไม่ทําทําไมไม่ทําไม่ต้องอันไหนไม่ทันก็คือปล่อยวางไปเลยเราก็ตั้งต้นใหม่อันไหนทันก็ก็แก้ไขไปอันไหนไม่ทันก็ปล่อยวางไปเลยแต่คนทั่วไปถ้าเขาไม่ฝึกวิปัสสนาแล้วก็ทําใจอย่างนี้ไม่ได้อันไหนไม่เท่าเอาไม่ทันเขาก็เสียอกเสียใจ อันไหนรู้เท่าเอาทันเขาก็ดีใจอันนี้คนทั่วไปเขาเป็นอย่างนั้นนั่น่เราเป็นนักวิปัสสนาเนี่ยเราจึงฝึกสติปัญญาให้มากส่วนหนึ่งเพื่อการปล่อยวางส่วนหนึ่งเพื่อทู่เท่าทันโอกาสที่จะได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นนั้นะส่วนหนึ่งก็คือป้องกันนะป้องกันไม่ให้เกิดนะนั้นการที่เราฝึกสติสัมยามยทึงหลายได้หลายหลา ย, ลายมิติ มิตินี้รู้สึกมันไม่ก้าวหน้าแล้วก็เปลี่ยนไปอีกมิติหนึ่งเดินก้าวหน้ามากเกินไปเดินไปข้างหน้ามากเกินไปรู้สึกมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเห็นชัดเจนเอาก็เดินถอยหลังบ้างไอทั้งเดินถอยหลังเดินก้าวหน้าแล้วก็รู้สึกมันชินคุ้นชินเดินก้าวหน้าก็เหมือนถอยหลังเดินถอยหลังก็เหมือนก้าวหน้าคุ้นชินเอาก็เดินออกข้างบ้างคือทำไงให้มันเกิดการ alert หรือเกิดการตื่นตัวเกิดการรู้ตัว ที่กลับเข้ามาใกล้ตัวเองเราเคยทำใ่เรื่องนี้แล้ก็เปลี่ยนการกระทำดูบ้างในทางที่มันสร้างสรรค์เราก็มีวิธีทางที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็ น, ป น, ป น, ปนหลายๆวิธีการนะนั่นเองใ น, ในช่วงเช้าก็ประลบถึงเรื่องของการความต่างะระหว่งางไตรลักษณ์ที่จะพัฒนาเป็นไตรสิขาเนี่ยก็ไตรลักมันจะต้องผ่านไตร กิเลสก่อนให้เกิดทุกข์ให้เกิดสมุทยัยแต่ถ้ารู้เท่าทันมันก็ไม่เปลี่ยนเป็นไตรกิเลสมันก็จะเปลี่ยนเป็นไตรสิขาเพราะฉะนั้นเราก็ฝึกตัวรู้เท่าทันนะทุกขณะทุกเวลานะให้มากที่สุดว่าแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะทําสมบูรณ์จนทีเดียวนะค่อยทำไปเรื่อยๆใหนะ้มันเกิดความคุ้นเคยยินยอมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอกไ ด, ได้ทุกขณะ ความขุ่นโม่เศร้าหมองความขัดข้องหองมองใจความอะไรอวบนต่างๆมันก็จะไม่เกิดมาครอบงอบําความรู้สึกของเราเราป้องกันตัวเองไว้ก่อนเรื่องคนอื่นก็เป็นเรื่องของคนอื่นเขาทุกคนต้องป้องกันตัวเองแต่บางทีเราป้องกันตัวเองได้พอคนอื่นเป็นเราเราก็เป็นห่วงวิตกกลางบนอะไรต่างๆก็เป็นทุกเรื่องของคนอื่นไปอย่างนี้ก็ต้องอป้องกันตัวเองไว้เหมือนกันนะแต่ละคนนั้นก็คือมีกรรมเป็นของของตน ถ้าไม่รู้กรรมเขากรรมเร า, าเขาสร้างกันมาเมื่อไหร่เราก็จะไปแก้ เ, เฉพาะปลายเหตุแล้วก็ไปทุกเรื่องคนอื่นเรื่อยไปเหมือนกันทุกเรื่องของพ่อของแม่ของพี่ของน้องของเพื่อนแต่คนนั้นเกิดปัญหาทำให้คนไม่แก้เราจะแก้ก็ไปเรียกว่าเรื่องก็ขยายทุกก็ขยายสมุทยัยก็ขยายออกไปโดยที่เราก็ไม่รู้เท่าทันเดี๋ยวนี้ก็เลยสติ ป, ปัญญาเราไม่พอเราก็ต้องปรับแก้นะ ดัะนั้นช่วงเช้านี้เรานำเสนอเรื่องนี้ก็ขอนมุโทนาา